ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่สามสิบหกพระอภิธรรมปิฎกเล่มที่สามทาตุกถาปุคละบัญญัติพระอภิธรรมปิฎกทาตุกะถา ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอุเทศหนึ่งนยมาติกาสิบสี่ในหนึ่งสภาวะธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้สภาวะธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้สองสภาวะธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับสภาวะธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้สาม สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้ 4. สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้ 5. สภาวะธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้ 6. สภาวธรรมที่สัมปยุตประกอบเข้าได้สภาวธรรมที่วิปยุตประกอบเข้าไม่ได้ 7. สภาวธรรมที่วิปยุตจากสภาวธรรมที่สัมปยุต แสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่วิปยุตเก้สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุต ouais สิบสภาวธรรมที่วิปยุตจากสภาวธรรมที่วิปย <walk> <rias> ุตสิบเสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้สัมปยุตและวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุสิสภาวธรรมที่สัมปยุตสงเคราะห์เข้าได้ และสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุ 13. สิสภาวะธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้สัมปยุตและวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุ 14. สิสภาวะธรรมที่วิปยุตสงเคราะห์เข้าได้และสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุสอภันตรมะมาธิกายี่สิบสองในหนึ่งขันห้า 2. อัายตนะสิบสอง 3. ามท่าสิบแปดสสัจจะสี่หอินรียี่สิบสองปฏิจจสมุบาท 7. สติปทาน 4, สี่แสมมาปทานสี่อิทิบาสีส 10. ฌานสี่อัดอปมัญญาสี่สองอิน 5, รีห้า 13. บพละห้า สิบสี่โพชงเจ็ดสิบห้าอริยมรรมิองคแปดสิบหกปัสะสิบเจ็ดเวทนาสิบแปดสัญญาสิบเก้าเจตนายี่สิบจิตยี่สิบเอ็ดอธิโมกยี่สิบสองมานัสการสามนิยมุขมาติกาสีในหนึ่ง สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้โดยสภาวธรรมสามประการ 2. สองสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยสภาวธรรมสามประการ 3. สามสภาวธรรมที่ัำปยุติด้วยนามขันธ์สี่สี่สภาวธรรมที่วิปยุติจากนามขันธ์สี่สี่ลักษณะมาติกาสองลักษณะหนึ่งสภาวธรรมที่มีส่วนเสมอกันสอง สภาวะธรรมที่มีส่วนไม่เสมอกัน 5. ้าพาหิรามาติกาธรรมสังคณีแม้ทั้งหมดเป็นมาติกาแห่งทาตุกะถาหนึ่งปฐมมนยัยหนึ่งสังคหาสังคหาประทานิเทศ หนึ่งขันเอกมูลกะในรูปขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรรูปขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบเอ็ดและท่าสิบเอ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะหนึ่งและท่าเจ็ดเวทนาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไร เวทนาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบอดและธาตุสิบเจ็ดสัญญาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสัญญาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร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 วิญญาณขันธ์สงคเคราะห์เข้าได้กับขันธ์หนึ่ง 1, อายตนะหนึ่งและธาตุเจ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สี่อายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเอ็ดเอกะมูลกะในจบทุกกะมูลกะในรูปขันธ์และเวทนาขันธ์สงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรรูปขันธ์และเวทนาขันธ์ สงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอยตนะสิบเอ็ดและท่าสิบเอ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอยตนะหนึ่งและท่าเจ็ดรูปขันและสัญญาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอยตนะสิบเอ็ดและท่าสิบเอ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยตนะและท่าเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอยตนะหนึ่งและท่าเจ็ด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 ไม่มีอายตนะและธาตุเหล่าไหนาที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ทุกกะมูลกะในจบติกกะมูลกะในรูปขันเวทนาขันและสัญญาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรรูปขันเวทนาขันและสัญญาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเอ็ด สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยตนะและธาเท่าไร่สงเคราะห์เ ข, ข Jan, baskets, stroke, ้าไม่ได้กับขันสองยตนะหนึ่งและธาเจ็ดรูปขันเวทนาขันและสังขารขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามยตนะสิบอ็ดและธาสิบเอ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยตนะและธาเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองยตนะหนึ่งและธาเจ็ดรูปขันเวทนาขันและวิญญาณขัน สงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะสิบสองและธาติสิบปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยนายตนะและธาติเท่าไหร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองไม่มีอยายตนะและธาติเหล่านี้ที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ตึ ก, กะมูลกะในจบจะตุกะในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสงเคราะห์เข้าได้กับขัน อ, อยนายตนะและธาติเท่าไหร่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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งไม่มีอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้จะตุกะมูลกะในจบปั้นจกะมูลกะในรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและธาตุสิบปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่ไม่มีขันอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ขันห้าสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่ขันห้าสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและธาตุสิบปด สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะและธาตุเหล่าไหนาที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ปัญจ ก, กะมูลกะในจบสองายตนะเอกะมูลกะใน จากคายตนะสงเคราะห์เข้าได้กับขันอยตนะและธาเท่าไรจากขายตนะสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งยตนะหนึ่งและธาหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยตนะและธาเท่าไหรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสอ่ยตนะสิอดและธาสิบเจดโซตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปลายตนะสัตทายตนะคันหายตนะ พระสาญาตนะโพธพายญาตนะสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขั 4, 18, นสี่อายตนะสิบเอ็ดและธาสิบเจ็ดมานายญตนะสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาเจ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่ อายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเอ็ดธรรมายตนะเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเจ็ดเอกะมูลกะในจบทุกกะมูลกะใน จากขายัตนะและโสตายัตนาสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนาสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนาสิบและท่าสิบหจากขายัตนะและฆานายัตนะจากขายัตนะและชิวหายัตนะจากขายัตนะและกายายัตนะจากขายัตนะและรูปายัตนะ จากขายัตนะและสัทธายัตนะจากขายัตนะและขันธายัตนะจากขายัตนะและรัายัตนะจากขายัตนะและผูถภาายัตนะสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไหร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิและท่าสิบหจากขายัตนะและมนายัตนะ สงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะสองและธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอายตนะสิบและธาตุสิจากกายตนะและธรรมายตนะเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่ สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและ 5, ท่าสิบหกทุกกะมูลกะในจบเทาวาทสกะในอายตนะสิบสองสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไหร่อายตนะสิบสองเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและท่าสิบแปด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 จะผู้ท่าสงเคราะห์เข้าได้กับขันยญาตนะและท่าเท่าไรจะผู้ท่าสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งยญาตณะหนึ่งและท่าหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันยญาตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อญาตณะสิอและท่าสิบเจ็ดโซตธาต่าคานาท่าชิวหาท่ากายธาท่ารูปธาต่สัทธาท่าคันทาท่ารัศธาท่าโพธพภธาต่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 อายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสีอายตนะสิทธิ์และท่าติบหจากภูธาและพานธาตจากภูธาตและชิวหาธาตจากภูธาและกายะธาตจากภูธาและรูปธาตจากภูธาและสัทธาจากภูธาและขันทธาตจากภูธาและราษธาต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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอายตนะสิและท่าสิบหจากขุท่าและโสตะวิญญาณธาตุจากขุท่าและคานวิญญาณธาตุจากขุท่าและชิวหาวิญญาณธาตุจากขุท่าและกายวิญญาณธาตุจากขุท่าและมโนธาตุจากขุท่าและมโนวิญญาณธาตุสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไร สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอยตนะสิทธิและท่าสิบหจากขุทา่าและธรรมท่าเว้นทา่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อยตนะสองและท่า 2. สองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอัยตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอยตนะสิทธิและท่าสิบหทุกกะมูลกะในจบอัฐารสกะใน ท่าสิบแปดสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไหรท่าสิบแปดเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและท่าสิบแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไหร่ไม่มีขันอายตนะและท่าเหล่าไหนาที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้อัฐาราศกในจบ ทุกษัตริย์สงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรทุกษัตริย์สงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและท่าสิบแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันอายตนะและท่าเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้สมุทยสัตว์และมรรคสัตว์สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและท่าหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไร สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเจ็ดนิโรธสัตว์สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันเหล่าไหนเลยแต่สงเคราะห์เข้าได้กับอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันห้าอายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเจ็ดเอกะมูลกะในจบทุกกะมูลกะใน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 ไม่มีขันอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้จะตุ ก, กะมูลกะในจบหอินรีเอกะมูลกะในจกขุนสีสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่ จากขุนศีสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ on, on. ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันศีอายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเจ็ดเซวตินศีขานินศีชิวหินศีกายินศีอิทธินศีปุริศินศีสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบอดและธาตุสิบเจ็ดมณีนีสีสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุเสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิอดและธาตุสิอดชีวิตินสีสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร่ สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สามอายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเจ็ดสุขินสี่ทุกขิน 4, สี่โสมนัสหินสี่ธโมนะหินสี่อุเบกขิน 5, สี่สัจหินสี่วิริหิน 4, สี่สติหินสี่สมาหินสี่ปัญหินสี่อนัญญาตัญญสามีหินสีอัญญินสี่อัญญาตาวิน 4. สีสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่ง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 จากขุนสีและโสตินสี่สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไหรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบและท่าสิบหกจากขุนสีและคาหนินสี่จากขุนสีและชิวหินสี่จากขุนสีและกา ย, ยินสี่จากขุนสีและอิทินสี่จากขุนสีและปุริสินสี่ สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะสองและธาสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบและธาสิบหจากขันสี่และมณีสี่สงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะสองและธาแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอายตนะสิบและธาสิบ จากขุนศีและชีวิตินศีสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะสองและธาสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอายตนะสิบและธาสิบหจากขุนศีและสุขหินศีจากขุนศีและทุกขินศีจากขุนศีและสมนัสินศีจากขุนศีและโทมนัสินศีจากขุนศีและอุเบกหินศี จากขุนศีและสัตทินศีจากขุนศีและวิริยินศีจากขุนศีและสติินศีจากขุนศีและสมาทินศีจากขุนศีและปัญญินศีจากขุนศีและอนัญญาตัญญสามีทินรีจากขุนศีและอัญยินรีจากขุนศีและอัญญาตาวินรีสมเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สองอายตนะสองและท่าสอง สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สอายตนะสิบและธาสิบหทุกกะมูลกะในจบภาวิสติมูลกะในอินทรีย์22สงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะและธาเท่าไรอินทรีย์22สงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สี่อายตนะเจ็และธาสิบสาม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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบเอ็ดและท่าสิบเจ็ดหกสิบสาวิญญาณที่เกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและท่าเจ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไหร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบเอ็ดและท่าสิบเอ็ดหกสิบสี่นามรูปที่เกิดเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่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 หกสิบภาษาที่เกิดเพราะมีสลาจตนะเป็นปัจจัยเวทนาที่เกิดเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยตัณหาที่เกิดเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานที่เกิดเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยกรรมภพที่เกิดเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน์อายตนะและธาตุเท่าไหร่ สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดอุปติภพกามะภพสัญญาภพปัญจโวการภพสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบอ็ดและธาตุสิบเจ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตน ะ, ตะและธาตุเท่าไรไม่มีขันเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งหกสิบแปด รูปภพสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะห้าและธาตุแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่ไม่มีขันเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับอายตนะเจดและธาตุสิบหกสิบเก้ารูปภพเนวสัญญานาสัญญาภพจตุโวการภพสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุสอง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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สามอายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเจ็ดเจ็ดสิบห้าอปมัญญาสี่อิน 4, 5, ร 5, ี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองค์8ดผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาอาทิโมกมนาสิการสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่ง สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อา ย, ยตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สอายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกจิตสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุเจ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะ 11, และธาตุเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สี่อายตนะสิบอ็ดและธาตุสิบอ็ด เจสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะและท่าเท่าไหร่สภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบหกเจ็ดสิบแปด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 อายตนะสิบและธาตุสิบเอ็ดแปสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นวิบากสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สี่อายตนะสองและธาตุแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสิบและธาตุสิบแปดสิบสองสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสภาวะธรรมที่กิเลส ท, ทาให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส สงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบหกแสสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเว้นเหตุที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและท่าสิบ13า สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนาที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับท่าห้า84สภาวะธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบอดและท่าสิบเจดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไร ไม่มีขันเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งแปดสิบห้าสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะเจ็ดและธาตุแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับอายตนะห้าและท่าสิบแปดสิหสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไหร่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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบหกเก้าสิบสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้อาอายตนะสิบสองและท่าสิบเจ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตะนะและท่าเท่าไรไม่มีขันและอายตะนะเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับท่าหนึ่ง เกสอสภาวะธรรมที่สหรครตด้วยสุขสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะสองและท่า 3. สามสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบและท่าสิบห้าเกสภาวะธรรมที่สหรครตดู่เบขาสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะสองและท่าเจ็ด สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและท่าเท่าไหร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สองอายตนะสิบและท่าสิบเอ็ดเสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ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 สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอาเสขารุคคลเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายจนะสิองและท่าสิบแป สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรไม่มีขันอายตนะและธาต์เหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้9ก้าสิบห้าวาธรรมที่เป็นปริตตะสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและธาติสิปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรไม่มีขันอายตนะและธาต์เหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้เกสิบหกเศวาธรรมที่เป็นอัปมาณะ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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบเก้สปดสภาวธรรมที่มีมหคัตะเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอภปมาณะเป็นอารมณ์สภาวธรรมชั้นต่ำสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์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 ร้อหนึ่งสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอยตนะสิบสองและธาตุสิบปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันอยตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ร้อยสองสภาวะธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอยตนะเจดและธาตุแปดส่งเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยตนะและธาตุเท่าไร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 สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและท่าสิบแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าทเท่าไรไม่มีขันอายตนะและท่าเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ร้อยหสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอานาคตรธรรมเป็นอารมณ์สงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่ อายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบหกร้อยเจ็ดสภาวะธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์สงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่ อเยตนะสองและธาตุแปสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอเยตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอเยตนะ10บและธาตุสิบร8สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอเยตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอเยตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อเยตนะสิบอ็ดและธาตุสิบเจดร้อยเก้า สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะเก้าและธาตุเกสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธา ต, 3, าตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสามและธาตุเก้าร้อยสิบสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสองและธาตุแป